กบบูชาพรตนัไตรกบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทยียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมายังเพื่อนสาธตมิกเจริญพรยังไม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติรมทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติเน ะ, ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์าที่14พฤษภาคม นะพุทธศักราช 2,159 ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาทำกิจวัตรประจำวันนะของวัดป่าสุขโตก็คือการมาไหว้พระสดมนทําวัดตอนเช้านะก็เป็นกิจวัตรประจำวันตัวกระผมวิทมาเองนะก็เพิ่งจะกลับมาเมื่อวาน หายไปเกับสิบวันนะก็ไปทำภารกิจนะหลายเรื่องด้วยกันนะทั้งไปงานของอาจารย์กำพลไปร่วมงานเจริญสติที่จังหวัดระยองนะที่ธรรมกิติสินนะที่อาจารย์ทรงสินจัดสร้างขึ้นมาแล้วนะก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมญาตนะิที่ป่วยหนะัก นะคนอายุประมาณ80กว่าแล้วนะเป็นโลกกระดุกพรุนก็ได้มีโอกาสกลับมาวัดป่าสกุโตเนะมื่อวานก็ปรดีมาเจอกับฝนเนาะพายุฤดูร้อนนะก็ตกชุ่มฉ่ำดีเหมือนกันนะเราอยู่วัดป่าสกโตก่อนหน้านี้ก็คงจะอากาศคงจะร้อนพอสมควรละ แต่ข้างล่างนี่ร้อนกว่าเราเยอะนะไปอยู่จังหวัดพิษณุโลกนี่อุณหภูมิสี่สิบสี่สิบขึ้นไปอ่ะขนาดน้ำนี่อาบไม่ได้เลยนะน้ำนี่ร้อนเลยนะต้องปล่อยให้มันเย็นก่อ น, นมาวัดป่าสุขโตมาวานส่งน้ำก็โอ้เย็นชื่นใจดีนะยิ่งมาเช้า ว, วันนี้อากาศ เย็นสบายเลยนะแม้ว่าอากาศมันจะเย็นสบายอย่างไรนะเรานอนอิ่มละนะได้เวลาเราก็ตื่นมานะเราไม่อาความสบายกับการนอนานะการที่มาวัดป่าสุโกโตเนี่ยกับผมฤตมาก็เ ข, าเข้าใจว่าพวกเราคงจะตั้งใจนะที่จะมาใช้สถานที่นี้ นะเพื่อการฝึกฝนอบรมตัวเราเองช่วงที่ผ่านมานะได้มีโอกาสไปในที่ต่างๆเนี่ยก็ไปเห็นชีวิตนะของผู้คนนะที่จะต้องดิ้นรนนะในการทาหากินในการใช้ชีวิตนะวิ่งหาความสุขกันจากวัตถุนะจาก ค่านิยมคำโฆษณาต่างๆนะซึ่งแต่ก่อนเราก็เคยวิ่งวุ่มอยู่อย่างนั้นเหมือนกันนะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเห็นคนเจ็บคนตายอย่างเงี้ยนะก็ทำให้นึกมาย้อนมาถึงตัวเราเองว่าสักวันหนึ่งก็คงถึงคิวเราบ้างนะในความเจ็บป่วยก็ดีในความตายก็ดีที่มันจะมาถึงเนี่ย เราเตรียมตัวพร้อมหรื อ, อยังนะที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ไปเห็นคนเจ็บคนป่วยในโรงพยาบาลร้องครวญครางนะมีอาการเจ็บอาการปวดนะเรียกว่าไม่มีที่พึ่งเลยนะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สะท้อนกลับมาที่ตัวเราว่าถ้าเราป่วยอย่างนั้นเนี่ยเราจะครวญครางอย่างนั้นไหม เราจะอดโออย่างนั้นไหมเราจะคร่ำครวญอย่างนั้นไหมซึ่งก็เป็นความทุกข์ลี่เรามองเห็นแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเราเองเราจะรอให้เราป่วยก่อนเราจะรอให้เราใกล้ตายก่อนแล้วเราค่อยมาสนใจเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องธรรมะอย่างนั้นหรือนะมันก็ได้สะท้อนย้อนกลับมาที่ตัวเราเหมือนกัน การที่เรามาวัดป่าสุขโตนี่ก็ถือว่าเราไม่ประมาทเราเรามาเตรียมตัวเตรียมใจของเราฝึกฝนตัวเราเองให้พร้อมนะที่จ ะ, ะเผชิญกับความเจ็บป่วยหรือความตายนะที่จะมาถึงนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราหลีกหนีไม่ได้นะไม่รู้มันจะมาวันไหนเพราะนั้นการที่เรามาฝึกฝนอบรมตัวเราเอง ในขณะที่เรายังไม่เจ็บป่วยในขณะที่เรายังไม่ตายเนี่ยถือว่าเป็นการที่เราเตรียมตัวให้พร้อมนะเรียกว่าไม่ประมาทโนะดยเฉพาะอย่างยิ่ยงการที่เราได้มาฝึกกรรมฐานนะด้วยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งนะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราได้ฝึกฝนอบรมตัวเราเองนะเรียนรู้จากตัวเราเอง ธรรมะจริงๆเนี่ยอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือมันไม่ได้อยู่ในตำรามันไม่อยู่ในพระไตรปิฎกนะมันอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่เองกายใจเนี่ยก็จะแสดงนะแสดงอาการต่างๆที่แสดงออกมาจะเป็นความง่วงเหงาเหานอนความเจ็บปวดความหิวความกระหายนะ ความเหงาความว้าเวนะความหงุดหงิดนะความกโกรธความโลภความหลงสิ่งเหล่านี้เป็นอาการที่เขาแสดงออกมาที่เราจะต้องอาศัยนะความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญนะเนี่ยเป็นเครื่องมือนะในการดูนะในการดูดูให้เห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นเนะมื่อวานก็มี โยมคนหนึ่งเขาก็ถามเข้ามาในเฟซบุ๊กว่าเนี่ยเขาก็มีอาชีพดีมีงานดีมีเงนินดะีเป็นวิศวกรเกี่ยวกับการผสมสีเพื่อพ่นรถของบริษัทรถยนตนะ์เขาก็มีอาชีพดีมีงานดีมีไรายได้ดีแต่ก็ยังเครียดอยู่นะ ความสุขที่มีมันก็ยังไม่สมบูรณ์นะยังไม่อิ่มนะก็ยังมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีความสุขมากกว่านี้แตนะ่บางทีทํางานไปมันก็อึดอัดมันเครียด น, นะมันหนักน่วงนะบางทีก็ไม่รู้จะออกไปทางไหนนะก็ไปเที่ยวบ้างไปกินเหล้าเมายาบ้างสนุกสนานเฮฮาบ้างซึ่งมันตรงนั้นก็ช่วยให้เขา คลายทุกไปได้ชั่วคราวเท่านั้นเองเมื่อหมดฤทธิ์เล่าหมดความสนุกสนานก็กลับมาอยู่กับความทุกข์อีกนะตรงนี้ก็เลยเขาก็เลยมาสนใจนะในการปฏิบัติธรรมในการเจริญสตนะิก็มีส่วนช่วยได้บ้างนะแต่ก็ยังไม่ต่อเนื่องนักนะก็มีความตั้งใจอยากจะมาบวชนะ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาอยู่ได้ไหม <g liness> เออตั้งใจจะมาบวชแต่ไม่แน่ใจว่าจะจะมาอยู่ได้ไหมก็เลยแนะนําเข้าไปว่ า, า, ากนะ็ลองมาอยู่สักเจ็ดวันสินะลองมาอยู่สักเจ็ดวันมีเวลาพักร้อนไหมละ่ะนะทํางานก็มีเวลาพักร้อนอยู่แล้วนี่ลองมาอยู่สักเจ็ดวันมาใช้ชีวิตในวัดดูมันจะเป็นยังไง แต่จริงๆการจเจริญสติหรือการฝึกกรรมาฐานเนี่ยจริงๆแล้วมันไไม่ฝึกไม่ใช่ฝึกเพื่อจะมาอยู่กับวัดนะฝึกจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจาวัน <c oughs> ไม่ใช่ว่าฝึกแล้วจะมาอยู่วัดตลอดไปนะไม่ใช่การมาอยู่วัดนั้นเพียงแค่ช่วงระยะหนึ่งที่เราจะมาฝึกฝนอบรมตัวเราเองแต่ยังเอนพระที่มาบวชนะมีทั้งบวชชั่วคราวบวชยาวๆตลอดไปอะไรอย่างเนี้ยนะ หรือญ <c oughs> าติโยมเนาะที่มาเป็นชั่วคราวสองวันสามวันเจ็ดวันเป็นเดือนหรือเดี๋ยวอีกวันที่ยี่สิบนี่เนาะเราก็มีกรรมฐานเข้มสี่สิบวันนะนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาของการฝึกฝนอบรมตัวเราเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> ถ้าเราได้ใช้เวลาของการอยู่ที่วัดป่าสุกตโตเนี่ยนะให้เกิดผลนะผลในที่นี้ก็คือการได้ประพฤติธปฏิบัติ ลงไปจริงๆนะอย่ามาเห็นแก่การหลับการนอนการกินการอยู่ที่มันสุขสบายนะที่วัดป่าสุขโ ต, โตเนี่ยอากาศดนะีนอนสบายอากาศก็ดนะีตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะถ้าเราไปติดกับความสุขความสบายมันก็จะไม่ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองนะมันจะ ไ, ไม่ได้พัฒนาตัวเองนะต้อง <c oughs> ํามัดระวังไว้นิดหนึ่งไม่ถึงกับสบายนัก <c oughs> แต่ก็ไม่ถึงกับลำบากนักนะให้มันพอเหมาะพอดีแต่รู้สึกว่าติดที่นอนมากๆนะไม่ก็อยากตื่นนะมาทาวัดอันนี้เราต้องฝึกตัวเราเองนะพยายามมาทาให้ได้ทุกวันการมาทาวัดสดมนเนี่ยอย่างน้อยๆก็ฝึกให้เราตื่นเช้านะฝึกฝืนนะที่เราเคยชินกับการ อยู่อย่างสุขสบายนะ <c oughs> ตรงนี้มันจะทำให้เราเข้มแข็งคนที่ฝึกให้ตัวเองสบายมากเนี่ยจิตใจจะอ่อนแอนะเพราะนั้นการฝึกฝนฝึกฝนในความสบายตรงนี้มันจะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นมาแต่เนะส้นตรงนีนะ้เป็นสิ่งสำคัญนอกจากเรามาไหวพระสวดมนต์ได้มีฟังธรรมนาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัต นะไปกระทำํำนะไปพิสูจน์ด้วยตัวเราเองนะอย่าเพิ่งเชื่อนะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเอาไปลองทำเอาลองปฏิบัติดูนะมันได้ผลยังไงนะก็จะสรุปด้วยตัวเราเองได้นะว่าความจริงมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้ท่านสอนเอาไว้ครูบาอาจารยนะ์ท่านนํามาพูดต่อมาสืบต่อมันเป็นจริงไหม แล้วมันสามารถที่จะแก้ทุกข์ในจิตในใจของเราได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเพียงแค่ได้ยินได้ฟังได้อ่านหนังสือแล้วก็เข้าใจว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วอันนั้นไม่แน่นะเราต้องลองทําดูฝึกดูตรงนี้เมื่อฝึกฝนแล้วมันได้ผลแล้วเราจึงจะเกิดความมั่นใจ ความศรัทธาที่เคยมีนะมันก็จะมียิ่งขึ้นความศรัทธาที่ไม่ตั้งมัน่นก็จะตั้งมั่นขึ้นมาหลายคนมาวัดป่าสุขโตเนี่ยนะจากข่าวสารจากคำบอกเล่าบ้างจากหนังสือบ้างจากสื่อบ้างนะแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะบางทีมาก็ไม่ได้อย่างที่เราหวังเว้หรอกนะมาที่นี่ก็ไม่เจอนะครูบาอาจารย์ พรนะอาจารย์ภัยสารก็ไม่อยู่นะครูบาอาจารย์หลายท่านก็ไม่อยู่แล้วเราจะศึกษาก็ใครละ่นะสําหรับคนใหม่นี่ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะแต่คนเก่านี่ก็ไม่น่าเป็นห่วงหรอกนะเราอาศัยสถานทีนะ่มาถึงก็ลงสนามฝึกฝนเลยดูแลตัวเราเองนะให้เวลากับตัวเราเองนะส่วนคนใหม่ก็ต้องอาศัย ผู้ชี้แนะนิดหนึ่งนะอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันเพราะนั้นมาวัดป่าสุโโตเนี่ยก็ต้องทำใจนิดหนึ่งนะอาจจะไม่เป็นเหมือนอย่างที่เราคิดไว้หรือว่าเหมือนอย่างที่เราได้ยินข่าวสารม า, าก็ค่อยๆเรียนรู้สองตาดูหูฟังใจให้ใจดูใช้ใจดูด้วย อะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรก็ไม่ต้องไปแบบอย่างอนไนที่เหมาะที่ควรก็เลือกเอานะวัดป่าสุกโตนี่ไม่ใช่สมบูรณ์แบบนะมันก็มีทั้งตัวอย่างที่ดีก็มีตัวอย่างที่ไม่ดีก็มีนะเราต้องเลือกเอานะตัวอย่างที่ไม่ดีก็อย่างเช่นไรบ้างอะ่นะมาวัดป่าสุกโตมานั่งพูดนั่งคุยนะสนทนาปลาศัยสวนเสียเฮฮาเอกระเรก นะอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วมาวัดป่าสุขโตผิดที่แล้วนะเออถ้ามาปฏิบัตินะตั้งใจยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมนะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะที่เราจะเลือกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณานะดูสิ่งใดดีก็เอาไปเป็นแบบอย่างเอาไปทำ อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะก็พยายามเหล็กเลี่ยงนะคนที่มาใหม่คงจะทราบแล้วเนาะว่าที่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยเรา ง, งดนะการสูบบุรีนะการส่งเสียงบรบกวนผู้อื่นนะไม่ว่าจะเป็นการพูดการคุยการใช้โทรศัพท์มือถือนะหรือแม้แต่เมื่อคนะืนอาตมาได้ยินนะมีการสวดมนต์ด้วยนะออตอนประมาณทุ่มกว่ากว่าไม่ทราบว่าใครนะ จริงๆการสวดมนต์เนี่ยเราสวดที่ที่หอไตรแล้วก็น่าจะพอแล้วล่ะนะไม่ต้องไปสวดที่กุฏิหรือไม่ต้องไปสวดที่พักของเราตรงนั้นมันจะส่งเสียงรบกวนนะจริงๆการสวดมนต์ก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีดีแต่ว่าในเวลาอย่างนั้นเนี่ยนะคนที่เขาฝึกปฏิบัติเนี่ยเขาก็ต้องการความเงียบสงบนะถ้าเราไปสวดมนต์ นะไปสายายมนตรงนั้นนะเราก็คิดว่าไม่มีใครแต่จริงๆที่วัดป่าสุขโตเนี่ยเพียงแค่คุยกันที่กุฏิเนเชื่อมมันได้ยินไปถึงกุฏิอื่นเลยนะเออตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะระเบียบของการอยู่วัดป่าสุขโต ก, ก็บอกว่าอย่าส่งเสียงรบกวนเพื่อนสาธร ม, มิกนะหรือผู้ปฏิบัตนะิเราอยู่กันแบบเงียบๆนะพูดคุยกันน้อยๆเบาๆเท่าที่จาเป็น นะถ้าจะพูดจะคุยนู่นสารหน้านะสารหนาเนี่ยเป็นที่ที่จะพูดจะคุยกันนะได้เต็มที่นะแต่ถ้าเราตั้งใจมาปฏิบัติแล้วนะการพูดคุยเนี่ยพยายามให้น้อยที่สุดจะได้ประโยชน์เพราะการพูดคุยเนี่ยก่อนจะพูดเนี่ยมันต้องคิดนะมันคิดแล้วก็พูดแล้วพูดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวมันก็จะฟุ้งนะ ตรงนี้มันจะทำให้เข้ากรรมาฐานยากฝึกเจริญสติไปอย่างดีแล้วไปพูดไปคุยไปสวนเสียหากันตรงนั้นยิ่งฟุ้งใหญ่เลยนะการปฏิบัติก็จะเนิ่นช้านะแล้วมันจะด้านนะตรงนีนะ้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้มัระวังนิดหนึ่งนอกจากการทำประโยชน์ส่วนตัวนะก็คือการฝึกฝนอบรมตนแล้วนะงานส่วนรวม ที่เราน่าจะต้องช่วยกันนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะการปัดกวาดเช็ดถูศาลาถนนนนทางการช่วยโรงครัวบ้างนะแต่แต่อย่าถึงก็ต้องไปคลุกทั้งวันเลยนะก็ไปช่วยในช่วงช่วงเวลาที่ก็ต้องการกําลังคนมากๆลนะ้างถ้วยล้างชามล้างหม้อล้างเครื่องครัว นะการทําความสาาะอาดสารหน้าหอไตรห้องน้ํานะีอันนี้สําคัญนะขยะอะไรต่างๆอันนี้ก็ช่วยกันนะก็เรียกว่าเป็นการทําทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านะตรงนี้ก็จะทําให้การใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกโตงเรานะเป็นไปด้วยความผาสุกนะแล้วก็ส่งเสริมนะการฝึกฝนอบรมตัวเราเองนะเพื่อให้เขาถึงความสุขกเกษมสาร ที่มีพระนิพพา น, นาเป็นเป้าหมายเป็นความปรารถนาที่ดีงามชาวพุทธเราเนี่ยต้องตั้งความปรารถนาเลยว่านิพพานเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดชาวพุทธเราไม่ได้มุ่งให้มันรวยให้มันสวยอย่างที่ในโลกเขาปรารถนากันาการรวยการสวยาการไม่เจ็บป่วยเนี่ยมันเป็น ความปรารถนาเบื้องต้นเท่านั้นเองสําหรับคนเราคนเราเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะทําได้ก็คือความที่เราสามารถจะพ้นทุกข์ไดนะ้เกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยนะก็จะไม่เสียชาติเกิดนะถ้าเราเกิดมาเพียงแค่ทำมาหากินหาเลี้ยงไปวันวันหนึ่งนะแล้วก็ตายไปเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆเกิดมาทั้งทีนะ นะไม่ได้แตกต่างไปจากพวกหมูหมากาไก่เลยนะเพียงแต่หมูหมากาไก่มันไม่ใช้เงินซื้อเท่านั้นเองนะแต่มนุษย์เราเนี่ยหรือคนเราเนี่ยนะก็มัวไปมุ่งหาวัตถุสิ่งของปลนเปลืตัวเองมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาที่จะมาดูแลใจของตัวเองนะไม่ได้ดูแลกายใจของตัวเองบางคนเนี่ยทำงานจนตายเลยนะ ว่าเราเคยได้ยินมด็อกอรอะไรอภิวัตรหรืออะไรเนี่ยเคยทํางานรายการคนคน้นคนเนี่ยนะตั้งใจว่าจะทํางานเก็บเงินนะเอาไวนะ้แล้วก็จ ะ, กะเกษียณตัวเองให้เร็วที่สุดนะปรากฏว่าทํางานไม่ได้มีเวลาหยุดพักเลยครอบครัวก็ไม่ได้สนใจเลยนะเครียดนะทํางานเครียดทํางานเหนื่อยนะจนเป็นมะเร็ง นะแล้วก็มาตายในที่สุดในขณะที่อายุยังไม่มากเท่าไหรนะ่นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากคนเก่งคนหนึ่งแต่ทุ่มเทกับชีวิตทั้ทงชีวิตนะ่ไปเพื่อหาเงินนาทองนะไม่ได้ดูแลกายไม่ได้ดูแลใจทาให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บนะสุดท้ายก็ต้องตายไปเงินทองที่หามาได้ก็ไม่ได้ใช้คนอื่นเอาไปใช้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ หน้ า, เ, าเสียดายเหมือนกันนะมีคนอาจารย์พุทธทาสนะเคยตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมนะท่านก็ตอบว่าเกิดมาให้สมกับความเป็นมนุษย์นะไม่ได้เกิดมาเพื่อทำหมากินหาเลี้ยงปากหาเลี้ยงท้องไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่ว่าต้องพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยให้อยู่เหนือความทุกข์ให้ได้ให้อยู่เหนือ กิเลสตัณหาอุปทานได้ได้นะมันถึงจะสมกับการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้พบพระพุทธศาสนานะชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งเราได้ขึ้นมาแล้วเราอย่าได้เสียเวลาเสียโอกาสไนะปมัวเพลิดเพลินกับความสุขสนุกสนานนะอย่างที่เคยมีหรือเคยเป็นในโลกนะเรามาสแสวงหาความสุข นะที่เกิดจากการปล่อยการวางนะซึ่งเป็นความสุขเกษมสารไม่ดีกว่าหรือนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถจะทําได้ในชีวิตของเราโดยเฉพาะ ก, การที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะสถานที่ก็อ่หนวยเขาเรียกว่าเสนาสนะสปายะมีความสะดวกสบายนะอากาศก็ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไป นะมีที่พักมีที่หลับที่นอนนะพออยู่ได้นะไม่ถึงกับสบายนักนะอาหารสัพเพยะนะก็มีอาหารเลี้ยงดูไม่ถึงกับฝุดเคืองขาดแคลนพออยู่พอกินกันอยู่นะมีธรรมะสัพเพยะนะก็คือธรรมะที่ฝึกได้ไม่ยากนักนะทําได้ในรูปแบบ นะแล้วก็ไม่ยากเกินไปสามารถจีกระทำได้เพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้มันต่อนเนื่องนะทำงไงให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเราจนเป็นนิสัยนะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมีเพื่อนกัละยาณมิตรนะทั้งครูบาอาจารย์พระภิกษนะุแม่ชีนักปฏิบัติธรรมทั้งผู้สูงวัยทั้งผู้อวัยกลางคน กนะ็ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติกันอันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมนะที่ช่วยสนับสนุนให้พวกเราได้มีกำลังใจเนาะในการปฏิบัตนะิเรียกว่าไม่ว้าเหวนะไม่เหงาถ้าเราอยู่คนเดียวปฏิบัติคนเดียวนะบางทีอาจจะเหงาว้าเหวก็ได้สำหรับคนที่อินทรียังไม่เข้มแข็งพอแต่เราเห็นคนนู้นก็เดินจงกรมคนนี้ก็สร้างจังว่า เราจะมานั่งอยู่เฉยๆ เ, เราจะมานั่งนั่งนอนนอน น, นั่งเล่นนอนเล่นฉันเช้าแล้วเอนฉันเพลแล้วนอนบ่า ย, ายพักผ่อนกลางคืนจำวัดก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องลุกขึ้นมาละมาเดินจงกรมสร้างจังหว ะ, ะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในทางธรรมตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถยกจิตจากจิตที่เคย ตกจมอยู่ในความทุกขนะ์ในความไม่สมหวังหรือนะในความอัดกัดเคืองนะเรียกว่าเป็นคนนะมันมีทุกอารมณ์คนก็คือแล้วคนปนกันไปหมดนะมีทุกมีสุขยกจิตขึ้นมาเป็นมนุษยนะ์เรียกว่ามนุษย์โศนะมนุษย์คำว่ามนุษย์เนี่ยคือผู้มีจิตสูงเพราะนั้นคนทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นมนุษย์นะ บางคนเนี่ยใจเป็นเปรตก็มีที่โรคมุกาบางคนเป็นสัตว์นรกก็มีโกรธขึ้นม า, นาเพราะนั้นจิตใจของคนเราเนี่ยมันเป็นทั้งเปรตเป็นทั้งสัตว์นรกเป็นเทวดาก็ได้มีจิตใจที่จะให้มีจิตใจที่ละอายเกรงกลัวต่อบาปหรือเป็นพระพรหมก็ได้เพราะนั้น ตรงนี้เราสามารถที่ยกจิตยกใจของเราให้สูงขึ้นนะจนถึงเป็นผู้ที่ไม่ต้องทุกข์อีกก็ได้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พุทธองค์ก็ได้กล่าวเอาไว้ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆท่านก็ได้พูดเอาไว้นะเราเป็นคนหนึ่งนะได้ยินได้ฟังก็น่าที่จะได้มีความเพียรความพยายามเนาะในการที่จะยกจิตของตัวเองนะให้พ้นจากความทุกข์ความโศก ความร่ำไรรำพันต่างๆนานานะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยฝีมือของเราเองนะไม่มีใครช่วยได้นะก็บอกอัตยิอัตโนาตนาโถตน้นเะป็นที่พึ่งอย่างต้นนี่เป็นสิ่งสำคัญเรนะาอะในเช้าวันนีนะ้ก็พูดไปสเพระนะก็เพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมนะให้ทุกท่านได้มีความ ตั้งใจเนาะในการที่จะประพฤติปฏิบัติในการที่จะใช้ชีวิตนะอยู่ที่วัดป่าสุกโตให้เกิดประโยชน์ในทางธรรมให้มากๆยิ่งขึ้นไปเนาอนะอะไรในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของภาษี ร, ษรษัตนตรยัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือศรสัมปชัญญะที่มีในตัวเราพระธรรมคือจะรำความจริงที่แสดงปรากฏ ออกมาทั้งในส่วนกายและใจและก็สิ่งแวดล้อมต่างๆและประสงค์ก็คือการประพฤติธปฏิบัติของแต่ละคนด้วยความศรัทธาความเพียรด้วยสติสมาธิและปัญญาก็ขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นพระวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านได้ถึงซึ่งความสุขเกมสารมีพระนิพพานเป็นเบื้องหน้า ในเรวันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร